ณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งคัดสมาแสดงความองอาจกล้าหารในใจให้จิตใจมีความเพียรความมันความขยันตื่นขึ้นลุกขึ้นในหัวใจ อย่าปล่อยให้อำ น, นาจถีนมิธาความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมการนั่งสมาธิเีท่านมีระเบียดอยู่ว่าให้นั่งขัดสมาดเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเรียบร้อยแล้วหลับตา ตั้งใจบริกรรมภาวนามีพุโทโธพุโทโธในใจเป็นต้นจิตใจหรือว่าจิตคนเหล่านั้นต้องฝุดฝนอบรมจึงจะเป็นไปได้ให้ใจมันมีความเพียรความเพียรความหมั่นความขยัน ไม่ให้เกียรติคานไม่ว่าจะเป็นการห้องบนสาจทยายพระธรรมคสั่งสอนก็ไม่ให้เกียรติคานให้มันความเพียนนั้นคือว่ามันขยันกราบพระไหว้พระสวดมนต์ก็อย่าเพียงหมายแต่ว่ามารวมในหมู่ในคณะกราบพระไหว้พระ เราอยู่คนเดียวก็กราบได้วหว้ได้นั่งสมาธิภาวนาได้สวดมนต์ภาวนาได้เดินจมกรมได้ความเพียร น, นี่แหละท่านว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญวิริเยณะทุกขมัดเจติพระพุทธเจ้าทรงตัดว่า ผู้มีความผ้าเพียนพยายามแล้วกิจกรรมการงานใดๆ ไ, ไม่เหลือวิสัยผู้มีความเพียนพ้นทุกได้แต่ผู้มาภาวนาตั้งใจปฏิบัติไม่มีความเพียน แตอยากให้จิตใจของตนพ้นจากความทุกความเล่าร่อต่างๆนานาทำอย่างไรใจข้าพเจ้าจะสงบระงับมีอุบายอะไรก็อุบายไม่ขี้เกียดนั่นแหละอุบายมันอยู่ที่ไหนอุบายมันอยู่ที่ความเพียรทำอย่างไรข้าพเจ้าจะสู้กับ กิเลสลาคะโทซาโมหะในใจได้ไปสู้ที่ไหนสู้ด้วยความเพียรสู้ด้วยความตั้งใจมัน่นเราตั้งใจลงไปแล้วมันมัน่นคงไม่มั่นคงอย่าไปถอยเมื่อจิตไม่ถอยจิตเพียรพยายามอยู่ หาวิธีการที่จะเอาชนะกิเลสในใจของตนให้ได้เดี๋ยวนี้กิเลสในใจมันย่ำยีเยียดกายวาจาจิตของเราอยู่ไม่ยอมให้เราลุกขึ้นปฏิบัติภาวนาได้เต็มที่ทำได้นิดๆหน่อยๆแต่ความอยากได้มากอันนี้ไม่ถูก เมื่อมีความเพียรอะไรมันจะเหลือความเพียรโดพระพุทธเจา้าที่ดันได้ตรัสรู้เป็นพระพุท ธ, ธ้าท่านมีความเพียรสีอสงไขยแสนมหากรับท่านยังมีความเพียรความมันขยนัน เอาจนสำเร็จลุล่วงไปได้นั่นแหละคือความเพียรความเพียรไม่ใช่คาพูดอย่างเดียวเป็นการเพียรทางกายเพียรทางวาจาเพียรทางจิตเพียรหมดทุกอย่างแล้ววิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียร ถ้าเราจะมาท่องแค่คำพูดเท่านี้จำได้แล้วก็วัดได้กิเลสราคะละไม่หมดชื่อว่าไม่ยังไม่มีความเปียนกิเลสโทสะในใจของตัวเองยังไปยึดไปถือมันอยู่ไม่ละให้หมดน่นแล้วมันยังไม่มีความเปียนกิเลสโมหะในใจยังไม่หมดไปสิ้นไป ไปถอยความเพียรได้ที่ไหนต้องเพียรพยายามอยู่ทุกเวลาพระองค์ทรงตรัสว่าเพียรพยายามอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคําว่าทุกลมหายใจเข้าออกนั่นะคือวัดเพียรอยู่เสมอตั้งใจอยู่เสมอณภ า, ายใน นั่งก็ไม่ยอมให้มันง่วงเหงาหาหนอนเยืดตัวขึ้นให้มันสูงสุดไม่ให้กระดูกสันหลังมันอ่อนลงไปได้เดี๋ยวเทียนเทียนพยายามฝึกตัวเองอยู่มันจะเหลือผู้มีความเทียนไปไม่ได้เพราะว่า บนแผ่นดินนี้ผู้มีความเพียรผู้ไม่ทอดแท่อ่อนแอในดวงใจไม่ว่าจะทำอะไรยอมสำเร็จได้ดูตัวอย่างประพุทธิจาเมื่อเห็นแล้วเราก็ต้องตั้งความเพียรลงไปภาวนาลงไป เมื่อมันยังไม่ตายจะไปถอยความเพียรก่อนไม่ได้ถ้ามันตายมนุษย์เผาไฟแล้วมันจึงถอยแยังไม่ตายแล้วไปถอยความเพียรไม่ได้เตินขึ้นลกขึ้นในจิตในใจใครจะคิดชั่วเหลวไหลให้เป็นเรื่องของเขาใจเราไม่ต้องคิด คอนได้จะพูดชั่วเหลียวไหลไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องของเขาตัวเราทุกคอนสิ่งใดไม่ดีไม่มีประโยชน์ไม่พูดเสียเลยเพียรพยายามระวังรักษารักษากายรักษาวาจารักษาใจรักษาตัวก้อนเดียวตัวเดียวนี้ไม่ได้ จะจัดว่าเป็นผู้มีความเพียนมีภาวนาไม่ได้ความเพียนความหมันความขยันขันแข็งไม่ท่อแท้ออนแอในหัวใจเมื่อมันเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆขึ้นมาก็ให้สีสละทุกสิ่งทุกอย่างลงโซ่สู้ด้วยการละทิ้ง อย่าไปยึดเอาถือเอาเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราเสียงไม่ดีเข้าหูก็เพียนละออกไปให้มันหมดสิ้นมนุษย์มีปากห้ามมันมาให้พูดไม่ได้มนุษย์มีตาห้ามมาให้ดูไม่ได้มันเป็นเรื่องของโลก ทันจึงตัดว่าตาหูจมูกเลนกายใจมันเป็นความร้อนความร้อนคือกิเลสกิเลสเหมือนกับไฟไฟมันเป็นของร้อนไม่ว่าไฟนั้นจะเป็นไฟวันไหนเดือนใดยุคใดสมัยใดก็ตามไฟธรรมดาเนี่ละมันร้อน ก้เลสในใจมนุษย์คนเรานั้นมันเป็นไฟไหม้หัวใจของตนอยู่ทุกเวลาเรายังเด็กอยู่ไฟไหม้ไม่ได้ไม่ได้ก็เหมือนไฟภายนอกเด็กไปเถอะเข้าไหมก็เหยียบไฟไหม้เท่าไหม้จีนเหยียบมากก็ไหม้มากเข้าโซ่กองไฟก็ตายเลย กิเลสลาคะกิเลสโทสะโมหะต้องภาวนาดูจึงจะรู้ว่ากิเลสมันอยู่ตรงไหนจะเลิกละได้โดยวิธีใดเราต้องตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาอย่าไปปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมใจ เมื่อเจ็ดมันไม่มีความเพียรปล่อยให้กิเลสมันพับถมกายมันก็อ่อนแอท่อแท้ที่เศ้าเหงานอนมันก็ไหลมาเทมาก็เพราะจิตมันไม่มีเพียรจิตมันไม่เตินขึ้นไม่ลุกขึ้น จิตมันอ่อนแอทอดแทนจิตมันคุนมัวมันไม่ใสพุทธะไม่อยู่ในจิตจิตไม่เข้าถึงพุทธทพุทธ โ, ทโยภายในใจสว่างแจ้งไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย ตั้งใจยกจิตใจของตนขึ้นมาเอาจนให้ได้คำว่าผู้มีความเพียรย่อมสำเร็จได้ทุกอย่างทุกประตาบตั้งใจทาตั้งใจพูดตั้งใจคิดตั้งใจภาวนามันไม่เหลือวิสัยของผู้มีเพียร ผู้มีเพียรคนมีเพียรทำอะไรก็สำเร็จพูดอะไรก็สำเร็จคิดอะไรก็สำเร็จเมื่อไม่มีความเพียรมันจะเอาอะไรมาเป็นความสำเร็จทำอะไรไม่ตั้งใจทำทำจนตลอดลอดฝังคือว่าเอาจริงเอาจังในใจ แม่พูดโทรคำเดียวก็ได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งขณีผานเพราะอะไรเพราะองค์นั้นผู้นั้นทำจริงๆริงปฏิบัติจริงๆรภาวนาจริงจริงตั้งจิตตั้งใจจริงๆริตั้งเนื้อตั้งตัวจริงๆริเอาจริงเอาจังทุกอย่าง เมื่อทำจริงๆรปฏิบัติจริงๆของจริงมันก็ปรากฏการขึ้นมาในที่ความจริงนั่นแหละไม่ได้โยในที่อื่นมันอยที่จิตที่ใจของแต่และบุคคลไม่ต้องไปมัวสงสัยมีตกวิจารยอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ทำจริงปฏิบัติจริง มันไม่จริงอย่าไปถอยความเพียนโดพระสาวกในขั้งพุท ธ, ธาการท่านทำจริงท่านเดินจงกลมอย่างเดียวเอาจนได้สำเร็จมรผลเห็นแจ้งพระนิพพานท่านทำอย่างไรคำว่าจริง นนท่านนั่งภาวานามันก็ง่วงเหงาเขานอนเหมือนเราท่านทั้งหลายนี่แหละท่านก็ไม่ยอมนั่งท่านนั่งมันสับประงกท่านไม่นั่งท่านเดินจมกรมคําว่าเดินจมกรมก็คือว่าเดินก้าวไปก้าวมาในทางใน เ, เส้นทางจมกรมที่ท่านปัดกวาดไว้นั้น ไม่ยอมหยุดไม่ยอมนั่งถ้านั่งมันใครหละัะหลับตาก็ยิงลาใหญ่เดินเอาอย่างเดียวเดินไม่รู้ว่ามันนานเท่าไรละ่ะเดินจนหนังเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้แล้วเราท่านทางหลายคุณนั่งภาวนาอยู่นี่เดินเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้มีหรือไม่เห็นมี ไปทางไหนก็สวมรองเท้ากลัวตีนแตกเจ็บนิดๆน้นนอยก็เอาไม่ไหวแล้วตายแล้วทําไมไม่ตายตั้งแต่ยังไม่เกิดนั่นล่ะคือว่าใจท่อถอยใจเกียด์ทานไม่ได้ดูพระแต่ก่อนท่านเดินจนกระทั่งว่าเท้าแตกเดินหนังเท้าแตกเดินไม่ได้ เมื่อเดินไม่ได้ท่านยังไม่ถอยความจียนถ้าเราสมัยนี้ถ้าถึงขนาดนั้น้นแลวก็นอนแผ่เท่านะั้นไม่เดินดีต่อไปไม่ภาวนาอีกต่อไปแต่ท่านไม่ยอมเมื่อเดินไม่ได้เขายังมีมือยังมีคานเอาท่านว่าอย่างนี้ที น, นี้ก็คานเดินจมกลมไปกลับไปกลับมา ไม่รู้ว่ากี่ข้างกี่ขนเลยเขาแตกหนังเขาแตกไปชางมันไม่ใช่เขาเราเขาของกิเลสมือแตกแตกข้างมันเดินไม่ได้มันเจ็บแตกเลือดไหลเราได้คานภาวนาจนแตกเลือดแตกออกไหมไม่มี มีแต่นอนห่มผ้าให้มันตลอดคืนมันจะได้สำเร็จมรรคผลอะไรก็ได้แต่กรรมฐานขี้ไก่เท่านั้นเองแหะกรรมฐานขี้ไก่กรรมฐานขี้หมูไม่ลุกขึ้นภาวนาเหมือนพระเจ่ก่อนพระเจก่อนท่านเดินไม่ได้ท่านคานเอา ทีนี้คานไม่ได้ทันทํำยังไงท่านก็ไม่ต้องนอนแหละแต่ท่า น, นอนขวางทางจมกลมแล้วไม่ใช่นอนนิ่งๆให้มันหลับพลิกเหมือนกับเดินจมกลมในทางนั้นอีกมันเหยียดยาวลงตั้งแต่หัวถึงตีนทีนี่มันก็ไม่มีที่ไหนแตกแว่ามันกลิ้งไปพลิกไปจนสุดทางจมกลม กลิ้งกลับมาอีกเอาอยู่อย่างนั้นไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนับไม่ถ้วนมัตนตั้งใจลงไปท่านไม่ยอมให้มันหลับมันไหลทำไมมันฟุ้งซ่านไปที่อื่นเข่ามันเจ็บก็ไม่ไปยึดถือเขามันแตกก็ไม่ไปยึดถือมือแตกก็ช่างมือมือผีหลอกมาหลอกให้หลง เท่าผีหลอกเท่าผีหลอกท่านไม่ยออ่อท้อใจไม่ยออ่อท้ออันนั้นแหละเรียก ว, ว่าความเพียนไม่ใช่คำเพียนพูดปลายเล่นเท่านี้ท่านมีความเพียนจริงๆไม่ยอมให้มันนิ่งถ้ามันนิ่งมันก็หลับพลิกไปกลิ้งกลมไปเลือ่อนมันจะตายก็ช่างสิ ได้ภาวนาทาความเปลี่ยนละกิเลสเป็นสิ่งสำคัญความตั้งใจองนั้นเมื่อถึงขั้นนอนเยีย่ตามแผ่นดินนล้วเปล่งไปเถิดมันไม่ไม่แตกแล้วที่นียมันไม่มีที่ไหนหนักถ้าเดินมันก็ไปลงหนักที่เท้าสี่ติ ถ้าคานมันก็ไปที่เข่าที่มือมันหนักที่นั้นถ้านอนเยียดยาวไม่มีที่ไหนมันจะไปหนักหมดมันเท่ากันหมดแต่ไม่ใช่ท่านนอนหลับเหมือนพวกเราไม่ใช่นอนภาวนานอนกลิ้งไม่ยอมให้มันหลับไม่มันเนิ่งเดี๋ยวสติสัมปชัญญะ สมาธิท่านตั้งมั่นลงไปอง์นี้แล้วมีความเพียรที่สุดในพุทธศาสนาไม่มีองค์ใดที่จะได้สาเร็จแบบนี้มีองค์เดียวเท่านั้นเพราะว่าท่านทำจริงเราทุกคนทุกรวงใจถ้ามีความเพียรขนาดนั้นคิดดูสิ ไม่ต้องไปถามหามรรคผลนิพพานนะท่านเอาจนสำเร็จแม้เราทุกคอนก็เอาให้มันขนาดนั้นแล้วมันจะไปเหลือวิสัยไปได้หรือมันยังไม่ถึงขั้นนั้นมันไปถอยเสียก่อนหยุดเสียก่อนมันกลัวตายเนะ่ยมันจึงได้มาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นมันนอนอยู่ในท้องแม่นับพบนับชาติไม่ตว ก็เพราะจิตอันเนไม่มีความผิดไม่สมกับพุทธภาสิทธิวาวิริเยนทุกขมัาเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความียรไม่ใช่เพียงคำพูดวาจาที่เปล่งออกมามันเป็นการกระทาทั้งหมดนั่นแหละโดที่ท่านทาจนกระทั่ง ถึงขั้นนอนนอนจมกรมจนได้สําเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอน า, าคาคาเป็นพระอรหันต์ตาในทางจมกรมนั้นในจิตที่ไม่ไหวหวั่นท่านคือไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บ มันจะเจ็บก็เป็นเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายสังขารเขาเจ็บเจ็บท่านมีความเพียรจิตท่านมีความขยันหมั่นเพียรไม่กลัวอะไรทั้งหมดมันจะไม่สำเร็จนั้นไม่มีให้เตือนใจของเราว่าเราได้ทำความเพียรเหมือนพระอราหันต์องค์นั้นหรือไม่ ถ้ายังไม่ถึงเอาให้มันถึงไม่ถึงให้มันตายเสียดีกว่ามาลอกินเข้าสุกทุกวันใจที่เกียดใจที่คานใจที่หลับที่นอนใช่ไม่ได้ไมเตือนขึ้นลุกขึ้นอย่าไปเพียงว่าเห็นคนอื่นว่วงเหงาเหานอนตัวเองไม่เห็นตัวเอง ใจตัวเองไม่เห็นกายไม่เห็นจิตไม่เห็นทุกเห็นไถในวัฏฏสงสารยังจะมาเข้าใจผิดคิดหลงไปว่าความสุขความสบายในรูปในนามในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลในมนุษย์โลกเทวโลกพรมโลกยังมีความสุขอยู่มันจะหาเอาความสุขอันเป็นสุขโลกีนั้น มันก็ได้แค่โลกียสุขเก่านั้นไม่ถึงขั้นภาวนาละกิเลสนะจงตั้งใจบำเพ็ญภาวนาลื่นตาดูกายวาจาจิตของเราเองอย่าไปมัวเล่นมัวขี้คุยอยู่พูดอะไรตอนน่อไม่อะไร ให้ภาวนาละกิเลสไม่ได้ได้แต่ขี้คุยมีขี้อยู่ในหัวใจขี้กรอดมันก็โยนีิขี้ลอบมันก็โยนี่ขี้หลงมันก็โยนี่มันไม่ลุกขึ้นภาวนาทำความเชียนมันมีแต่ความอยากมีแต่ตัณหาตัณหามันหามาตันไว้มันหามาปิดมาบังไว้ ต้าหันตันหาตาเห็นรูปมันก็เกิดตันหาหูฟังเสียงมันก็เกิดตันหามันหามาตันหามาติดหามาโผกมัดลัดเลืงไว้ในตัวในใจสร้างความดีให้เกิดขึ้นไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเอาจนกิเลสนะมันดับไปหมดไปสิ้นไปไม่ได้ ก็เพราะว่าความเพียรไม่ถึงไม่ถึงความเพียรความเพียรไม่มีแม่จะมีก็ น, นิดนิดในดนอยมันเพียรยังไม่ถึงขนาดเพียรให้มันถึงขนาดโดพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา องบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมีสิบบารมีสามสิบทัดเต็มบริบูรณ์ทุกส่วนทุกประการเมื่อถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรเหลือละกิเลสลาคาก็ได้ละกิเลสโทสะก็ได้ละกิเลโสโมหะก็ไ ด, ได้ไม่ได้อย่างไหนท่านมีความเพียร ท่านไม่ใช่งอมืองอเท่าเหมือนพวกเราทั้งหลายท่านตื่นขึ้นท่านลุกขึ้นท่านยืนหยัดต่อสู้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งเนื้อทั้งตัวทุกอย่างเมื่อมันลุกขึ้นเต็มที่นั่นแหละแล้ววิริยนาทุกขมัตเจติ บุคคลใดก็ตามจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรไม่เหลือความเพียรไปได้คนที่มีความเพียรของหนักมันกลายเป็นของเบาที่ว่ายากมันกลายเป็นของง่ายคนอื่นทำไม่ได้แต่พระพุท ธ, ธเจ้าทำได้เพราะอะไรเพราะพระพุท ธ, ธเจ้านั้น เป็นผู้มีความเพียรอันใหญ่ยิ่งไม่มีมนุษย์และเทวดาอินพรมที่ไหนมีความเพียรเหมือนพระพุทธเจ้าต ร, ารัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ้วยพระองค์เองไม่มีใครมาเที่ยมสอนให้พระองค์มีความเพียรเองความหมั่นความกระยันความอดความทน พระองค์ฝึกฝนอดปลอมจิตใจของพระองค์มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีความสามารถอาบฐานทุกสชิงทุกอย่างเหมือนกรวัตผืนแผ่นดินหนักเท่าไหร่มันเอาแผ่นดินทั้งแผ่นดินลอยได้นั น, นแหละคือว่าใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีผิีใจพระ ปัจเจกขพุทธเจ้าเป็นผู้มีเพียรเจตใจพระอระหันตากินากเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความเพียรเจตใจของพระโซดาพระสกิทาคาพระอนาคาท่านมีความเพียรความสา ม, มารถอาจผานไม่ใช่ขี่เสาเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญ โลภโทสะโมหะเพิ่มเข้าไปทุกวันเกินไม่ละกิเลสราคะโทสะโมหะออกไปให้มันหมดสิ้นเมื่อจิตไม่ตั้งจิตไม่เอาจริงอะไรมันก็ไม่จริงหมดล่ะถ้าจิตมันเอาจริงจริงทำจริงๆแล้วไม่มีอะไรา นักเท่าแผ่นดินก็เอาแผ่นดินปิวไปได้ความเพียรความหมัน่นความขยนันความตั้งใจไว้ดีชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญกุศลเจตใจจะไม่สงบระงับไม่ได้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปในทางที่เราสร้างสรรฝึกฝนอบรม เท่ากันก็ว่าในตัวของคู่นั้นมันมีปีกมีหางมีเครื่องยนต์กลไกเหมือนแผ่นเหมือนเครื่องบินมันบินไปในบนฟ้าบนอากาศได้ทำไมมันไปได้เพราะมันมีปีกมีหางมีอะไรครบทุกอย่าง เมื่อมันพร้อมทุกอย่างทั้งคนทั้งวัตถุมันก็ไปได้เราไม่เห็นหรือเครื่องบินมันบินไปบนฟ้าบนอากาศตัวเราธรรมดาทำไมมันบินไม่ได้มันไม่มีเครื่องครบความเพียรความมันความขยันความตั้งใจดีชอบมันไม่มี ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรนั่งสมาธิภาวนาหลับตาภาวนามันก็ได้ชั่วเนื้ๆนในหน่อยเมื่อความเพียรไม่มีก็สร้างความเพียรให้เกิดมีขึ้นพุทโธในใจหลงไหลทำไมไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมนั่งก็พุทโธในใจ นอนก็พุโทโธในใจยืนก็พุโทโธในใจเดินไปไหนมาไหนก็พุโทโธในใจกิเลสโลเละละให้หมดโลเละไม่ท้อแท้ออนแอในหัวใจเรียกว่าเป็นคนใจดีใจงามใจฉเฉลียวฉลาดสามารถอากราน ไม่เป็นคนใจเน่าคนใจเน่าใจเหม็นประโยชน์ที่ไหนก็เน่าที่นั่นเหม็นที่นั้นศีนสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติไม่ทำให้มันเกิดมีขึ้นมีแต่เรื่องเน่าเรื่องเหม็นเรื่องโมโหโทโสฟุงซ่านลำขาด ไม่เลิกไม่ละความโกรธไม่เลิกไม่ละความโลภโลภจิตเท่าแผ่นดินไม่เห็นเลิกละให้หมดนั่นแหละจึงให้ชื่อว่าเพียรเพียรละกิเลสมีมากน้อยเท่าไรกิเลสหยาบก็เพียรละให้หมดกิเลสอย่างกลางก็เพียรละให้หมด ละเอยดอย่างละเอียดกเพียรละให้มันหมดไม่หมดจะไปถอยความเพียรตั้งใจเพียรลงไปอย่างนั้นโยูตลอดเวลาเมื่อมีความเพียรเต็มที่ได้เมื่อใดเวลาใดมันก็รู้แจง้งรู้จริงขึ้นมาในหัวใจที่มีความเพียร น, นั้น ไม่ใช่มือเท่าร่างกายมันมีความเทียนเจตนั้นมันมีความเทียนเจตมันมีความสามารถอาถารพเจตมันไม่ทอแท้อ่อนแอเจตมันมีสติสัมปะชัญญะมีสติในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ เมื่อจิตมันมีสติมีสมาธิมีปัญญามีญาณอันวิเศษเกิดขึ้นในจิตใจของผู้มีความเขียนมันก็รู้ได้เข้าใจมันจะไปรู้ที่ไหนก็รู้ที่กายวาจาจิตรู้ความขี้เกียจขี้ค้านและละทิ้งให้มันหมดไม่ต้องมายึดหน้าถือตา ตัวโกของโกตัวฆ่าของข่าฆ่าเป็นอะไรข่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรมันก็เป็นไปสู่ความแก่ความชราเป็นไปสู่ความเจ็บไข้ใดป่วยเป็นไปสู่ความตายเหมือนกันตายแล้วมันมีวิเศษวิโสอะไรยังไม่ตายมันวิเศษวิโสอะไรกิเลสเหล่านี้ให้พ า, ากันลุกขึ้น ตื่นขึ้นอย่ามามัวนั่งนั่งนอนนอนเล่นอยู่เปลปานั่งก็ให้นะภาวนาในจิตตั้งจิตให้มีความเปี่ยนความมมายเดินเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อทำจริงๆปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่ลึกไม่ใช่ตื้นมันพอดีนะ่ะ ทำเทียนให้มันถึงถึงได้ทุกขอนถึงได้ทุกหัวใจโลได้ทางนั้นไม่ต้องไปถามคนอื่นถามหัวใจของตัวเองว่ามันมีความเทียนหรือยังมันตั้งใจมั่นหรือยังในใจนั้นไม่มั่นคงมันไปอยู่ที่ไหนไม่ได้กินข้าว่าหัวใจหรือ กินข้าว่าหัวใจทุกวันทำไมใจมันจึงไม่มีความเพียนเพียนละกิเลส ท, ทำไมไม่เพียนเพียนเอากิเลส ท, ทำไมมันเพียนเอาได้กิเลสราคะโทสาโมหะทำไมมันมีเต็มกายเต็มใจเต็มวาจาของทุกๆคนไปไหนมาไหนก็ กิเลสความปลอดความโลภความหลงแบกไปหาไปหามไปเถลอะเถละากิเลสโลเลประพุติเจ้าสอนให้ละทิ้งได้ละทิ้งหรืออย่างได้ปล่อยได้วักทิ้งหรืออย่างไม่ทิ้งเดี๋ยวนี้จะเอาไปทิ้งที่ไหนไม่ตั้งเดี๋ยวนี้ไปตั้งที่ไหน ไม่เพียรพยายามเดี๋ยวนี้จะไปเพียรเมื่อใดเวลาใดก่หกพกกลมตลอดเวลาใจไม่จริงคนไม่จริงเกิดมาทำไมเป็นชายทำไมใจไม่แก่กล้าสามารถเหมือนกับพุท ธ, ธิยัก์เป็นหญิงทำไมหญิงไม่แก่กล้าสามารถ เกิดมาทำไมตายเสียดีกว่าเปลืองเข้าสุกไหนนาม่ตั้ง อ, อกตั้งใจมันจะเนดเหนื่อยเมื่อหิวขนาดไหนถ้ามันเหนื่อยไปหิวไปให้จิตเรามีความเทียรตายไม่ว่าทำอะไรให้มีความเพียน ใจภาวนาบทใดขอด้อใดก็ให้มีความเพียรมีแต่ความอยากจะเป็นโน้นจะเป็น น, น, นี่จะเอาอย่างโน้นจะเอาอย่างนี่แต่ว่าเท่าเส้นผมมันก็ไม่เอามันจะได้อะไรมันได้แต่ความสิเกตที่ทานมักง่ายท้อถอยกลัวตายองีใจมันไม่ลุกขึ้น ไม่เพียงถึงขนาดในนั้นพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุท ธ, ธาาลท่านเดินจมกรมภาวนาทำเพียงอย่างเดียวจนนอนจมกรมแล้วก็ได้สำเร็จไม่สำเร็จมันไม่เยอะเหลือลแหละเอาถึงขนาดนั้นล่ะมันได้ทุกคนมา แน่นั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราท่านทั้งหลายต่อไปอย่าได้มีความท่อแท้อ่อนแอในหวัวใจให้ภากันตื่นโยลุกขึ้นมากิเลสทางกายไม่สร้างมันขึ้นมาอีกกิเลสทางวาจาไม่พูดมันต่อไปอีกกิเลสทางจิตไม่คิดตามไปอีก จะไปที่ไหนไล่กิเลสแต่มันหนีหมดอะให้เหลือแต่จิตที่ไม่มีกิเลสความโกรธให้เหลือแต่จิตที่ไม่มีความโลภให้เหลือแต่จิตที่ไม่มีความหลงนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาโยธรรมโยกวนไปไหนมาไหนไม่ปล่อยให้ใจิตใจ ลม่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสจองทากันตั้งอกตั้ ง, งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่มีใครจะไปทำแทนกันได้เปรียบเหมือนบุคคลเราที่มีชีวิตเป็นมาตั้งแต่เกิดเราบริโภคอาหารมาโดยลำดับลำดับ ชีวิตของเราก็ต่อเนื่องมาจนถึงวันเวลาเดี๋ยวนี้ไปให้คนอื่นบริโภคแทนได้หรือชั้นใดการปฏิบัติบูชาภาวนาก็เหมือนกันไม่มีใครที่จะช่วยตัวเองได้ดีเท่ากับตัวเราเอง แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงกลัดว่าเราตถาคตเป็นผู้ตรัสผู้บอกผู้ถอดสอนสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องเอาไปทําความเปลี่ยนละกิเลสในจิตในใจของตนไม่ใช่พระองค์ไปละกิเลสให้สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายละเองปฏิบัติเอง ให้มันเต็มที่เต็มฐานเมื่อยังไม่เต็มที่เต็มฐานไม่ต้องบน่นพกอะไรสันวะไม่ต้องไปบน่นมีความอดความทนมีความเฉียนความหมันมีความกยันขันแข็งไม่ทอแพ่ออนแอในหัวใจในจิตในใจนะั้น กายวาจามันก็ไม่ท้อแท้อ่อนแอเหมือนกันใจเอากายวาจามันเอาทางนะจิตมันเป็นนายร่างกายมันเป็นบ่าใครลาบสะดอดถ้าจิตมันสั่งการให้ทาให้ปฏิบัติให้เลิกให้ละละได้หมดนี่ น, นั้นพุทธภาสิทธิ์ที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัตเจ ต, ติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเทียนพระพุทธเจ้าได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะความเทียนพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้บรรลุมรคลเห็นแจ้งสนิพาน ท่านก็มีความเพี้ยนความขี้เกียจที่ค้านมักง่ายทันละทิ้งปล่อยทิ้งตัดทิ้งเอามันเด็ดขาดลงไปความเพียนมันก็เกิดขึ้นเต็มที่ไม่ว่ากิ จ, จกรรมการงานใดๆทายนอกภายในยเมื่อมีความเพียน ทำได้ปฏิบัติไนดะ้ทุกอย่างไปบาพระโอกฐุ ท, ทเจ้าสอนว่าไม่ให้ทำเราก็เลิกในกายวาจาจิตของเราเด็ดขาดลงไปเมื่อละบาปได้ทุกในเรื่องบาปมันก็ไม่หล เมื่อไม่ละบาปทำบาปอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนตลอดชาติ <c oughs> ก็ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเ <c oughs> มื่อละบาปเพราะว่าบาปนั้นใครทำแล้วมันเดือดร้อนเมื่อภายหลังเ <c oughs> มื่อเราเลิกได้ละได้ปล่อยวางได้ ใจของเราเองก็ได้คือว่าแจ้งใสหมดจดสะอาดค่องตัวค่องแคล่วว่องไวไหวปิดเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมู้จักู้กแจ้งู้จริูลแจ้งแทงตลอดในโลกในทางโลกและทางธรรมมันมีอยู่ในหัวใจทุกคนแนะแต่ว่าทุกคนไม่เพียนพยายาม ทุกคนมีความเพียรความมันความขยันหันแข็งสามารถอาถามแล้วก็อย่อมสำเร็จรุล่วงได้ทุกทวนน่ะฉะนั้นดวงจิตดวงใจของเราอย่าได้ประมาทต่อไปประมาทมาแล้วก็ให้แล้วไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้เปต้นไปเราจะไม่ประมาท พกลมหายใจเข้าออกมารณะกรามฐานพุทโธในดวงใจไม่ให้หลงลืมฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ากันได้สะดับรับฟังแล้วให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประตาละเนีสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพลโลโควินัสตุมาเตภวัตตะวันตรายโยตุขีเีคายุโกภวะอธิวาธนาสิริษนิตยังบุต ธ, ธาปยายิโน ยะตาโรธรร ม, มาวันติอายุวันโนสุ ข, ขังถาลัง